ในแดนสมมตินี้มีจิตเป็นผู้ ร, รับรับทราบว่าดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกข์นอกานั้นไม่มีอะไรรักทราบว่าอะไรมีหรือไม่มีสุขทุกข์ประการใดไม่มีสิในใดรับทราบนอกจากจิต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 ไม่มีอะไรที่เกินกิเลสตามหลักธรรมท่านได้ชื่อไว้รวมๆ ว, ว่ากิเลสมีกี่ประเภทก็รวมอยู่ที่จิตแสดงออกที่จิตจิตจริงเป็นสถานที่แสดงหรือสถานที่อยู่ของจิตอย่างพร้อมมุญไม่มีเวลาบกบางรวม เวลาสงบก็เข้าไปอยู่ในจิตนั่นเสียเวลาแสดงตัวออกมาก็แสดงออกมาจากที่นั่นหากไม่มีการชำระแก้ไขด้วยแล้วแปล ว, ว่าอนันตการระหว่างจิตขับที่เละก็ไม่ผิดจะเรียกอนันตจิตก็ไม่ผิดคือหาการหาเวลาไม่ได้เลย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 ไม่เคยมีและไม่เคยให้มีเป็นสิ่งที่สังแน่นอยู่ภายในจิตผวงเดียวนี้เท่านั้น <c oughs> ไม่ว่าจิตสัตว์จิตบุคคลกิเลสเกิดได้ทั้งนั้นแสดงได้ทั้งนั้นภายของจิตยิ่งมีกิเลสอย่างเดียวเป็นสําคัญ ลาบเงาข้อมูลของจิตของกิเลสพระพุทธเจา้าท่านแสดงไว้แล้วอย่างละเอียดรอวิชาปัจจาสร้างข้าราเป็นต้นนี่คือลากเงาข้อมูลของกิเลสโดยแท้แยกแข น, นออกไปเป็นความโลภความโกรธความหลงความรักความชังนั้นเป็นแข น, นออกไป แต่ละแข น, นยังแยกเป็นแข น, นย่อยๆออกไปอีกมากมายต้นหาประมาณไม่ได้เหมือนต้นไม้แต่ละต้นแต่กิ่งใหญ่กิ่งเล็กเล็กเป็นลำหนับลำนาลงไปรอบลาต้นของมันยังแต่กิ่งใหญ่กิ่งเดียวเราไปนับแข น, นเล็กข อ, ของมันก็ไม่มีการที่สุดวิถีลงได้เพราะมีมากต่อมากกิ่งของกิเลดที่แตกจากกิ่งใหญ่ของมันเช่นแตกจาก ความโลภความโกรความหลงแต่และกิ่ยยงใหญ่ๆนี้ก็พอตัวแล้วทุกกิ่งไม่ว่ากิ่งใหญ่กิ่งยอ็กไม่ว่ารากเน่าเข้ามูลของมันด้วนแล้วตั้งแต่เป็นตัวพิษตัวภัย ที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจและแสดงตัวอยู่กับจิตใจนี้ทั้งหมวลไม่มีสถานที่อื่นใดที่จะแสดงเรื่องของกิเลสออกได้นอกจากใจเท่านั้นแสดงออกได้ที่ใจเพราะกิเลสอยูใจโดยเหตุนี้การแก้กิเลสจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะความฝังจมนั้นเป็นสิ่งที่ลึก มากถ้าเราจะเทียบทางลึกลึกจนหาประมาณไม่ได้ว่าลึกขนาดไหนจมลงอย่างมิดมองไม่เห็นเลยพบชาติที่เคยเกิดมามากน้อยในจิต ด, ดวงหนึ่งหนึ่งนั้นไม่สามารถจะนับอ่านตนเองได้เพราะลึกต่อแสนลึกมากต่อมากนื้อผลของมันที่สดแสดงเป็นความทุกข์ร้อนออกมาแต่ละพบประชาตินั่น กมีมากต่อมากไม่สามารถจะนับอ่านได้เลยเนื่องจากความฝังลึกของกิเลสความรับผิดตัวออกมาเป็นความฝังลึกในชาติในภพในทุกน้อยใหญ่ต่างๆมันมีอยู่เป็นประจำรับผิดอยู่เป็นประจำการแก้ไขถอดถอนกิเลสจึงเป็นเรื่องใหญ่โตผู้ที่จะมา เป็นศาสดรา ด, าดวนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ตั้ง่าต่างทางเตรียมพร้อมมาเป็นเวลานานไม่ใช่อยู่เฉยๆก็เป็นบารมีขึ้นมาแต่แประเภทประเภทของบารมีนั้นๆตร้องในตังหาตัณตาสร้างจริงๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มส ต, ต, ต, ติกำลังความสามารถโดยลาดับลำดาขอยิ่งสร้างเป็นมากเท่าไหร่ขอยิ่ง มีความเร่งเต้นขวัญขวายมากขึ้นเย่างนั้นเพื่อให้พอกับหรือเพื่อให้เป็นกําลังที่จะถอดถอนสิ่งที่ฝังจมอย่างลึกลับหรืออย่างลึกซึ้งนี้ให้ตื้นขึ้นมาย่นเข้ามาพบชาติวันที่จะมากเต็มภูมิของมันก็ให้ลดน้อยลงมาลดน้อยลงมา ดังพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันเป็นตัวอย่างสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นความเด่นทั้งนั้นพูดถึงการให้ทางก็ลือโลกไม่มีใครเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าครั้งเป็นพระเวสสันดรคือจะเสียสละโดยท้่เฉยอันรักษ้างสียงพระองค์ก็ยอม รับทุกสิ่งทุกอย่างความลำบากลำบนที่ทรงบำเพ็ญพระองค์ในเวลา น, นั้นจงกระทั่งไดมาเป็นสิทธัลราชสุดจิงมานเป็นพระชาติสุดท้ายมีเสียสลาหมดเสียตลาด ท, ทั้งทั้งที่ยังมีความห่วงใยเชี ย, ายรายด้ลาดราชจะสมบัติพระราชฐานทุกบ้านเรือนบริษัทบริวารใก้ใปร้ชาประชด ออกเป็นหนึ่งว่าควบพระไทยจะหลุดลอยออกไปตามๆ ก, กันกับสิ่งที่เสียสละนั้นพระองค์ก็ทรงยอมรับและตัดพระไทยไปด้วยความสาบฟื้นและประเด็ดไปด้วยความยากความลำบากมีด้วนแลแต่เป็นประโยคพยายามแหม่งการถอดถอนกิเลกออกจากใจทั้งมวไม่มี ประโยคใดที่ประพุตธเจาาจะทรงได้รับความย่อหย่อนผ่อนตัวจากกิเลสไม่ให้ฝืนไม่ให้อดทนไม่ให้เข้มแข็งไม่ให้บึกบืนด้วยนล้นจแต่เป็นสิ่งที่จะต้องใช้กำลังบึกบืนด้วยกันทั้งนั้นเวลาทรงบำเพ็ญพระองค์ก็ทุกข์ยากลำบากแสนสาหัส ทุกปรยาบดจะไมมีปรยาบทใดเลยเป็นความสะดวกสบายทั้งความเป็นอยู่ธรรมดาทั้งประโยคแห่งความภาคเพียนมีแต่เป็นไปได้วยหมุนไปตามความมุ่งมั่นที่จะได้แต่จะรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นกําลังมังชาทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มเข้ามาสู่ความภาคเพี่ยนทั้งหมดเป็นหรือตายก็ต้องทุ่มเข้ามา ไม่ถือความเป็นความตายเป็นสิ่งที่มีสาระคุณมากกว่าธรรมที่พระองค์ทรงมุ่งหวังคือเดนอินแห่งความตรัสรู้เป็นศาสดาของโลกและเป็นสยามภู ด, ด้วยตามหลักธรรมชาติของพระรธธพุทธเจ้าทั้งหลายต้องรู้เองเรียนเองรู้เองปฏิบัติเองไม่ มีใครที่จะมาสั่งสอนภูมิของศาสดานั้นได้นอกจากพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นจะเป็นผู้ตะเกียกตะกายทุกแง่ทุกมุ <c oughs> ดังที่จงบำเพ็ญพิปิปั้นพลาดมาบ้างนั้นย่อมถือเป็นธรรมดาของสยามภูที่จะตัดสะดูโดยลำพังพระองค์เองไม่ทรงเสาะแสวง หาอันเป็นความสมหวังจากผู้หนึ่งผู้ใดเป็นความที่สกเกียรตระกายโดยลำพังพระองค์ต้องทรงทำความเพียรด้วยวิธีการต่างๆเช่นอดพระทรงอดพระกาหารถึงสี่สิบเก้าวันแต่การอดพระกาหารสี่สิบเก้าวันนั้นเพราะเจตนาของพระองค์กับ พวกเราทั้งหลายที่อดนี้มีผิดกันอยู่มากการอดพระกายอาหารของพระองค์นั้นเพื่อความตรัสรู้ด้วยวิธีการนั้นจริงๆไม่มีอิตตภาวน า, าเข้าเคลือบแฝงเลยจึงผิดกันที่ตรงนี้แต่สิ่งที่เหมาะสมกับกิตตภาวน า, าที่จะเป็นไปด้วยความสะดวกสบายนั้นก็ไม่พ้นจาก การที่ทรงอดพระกาหารผ่านมาแล้วนั่นเลยจะเห็นได้เวลาพระองค์สเสวยพระกาหารในวันเดือนหกเพ็นที่ทรงอดมาได้สี่สเก้าวันแล้ววันนั้นเป็นวันคำรบพิษะักห้าสิบปันก็สเสวยพระกาหาร ของนางสุชาดาแล้วก็หมุนเข้าทางยิตะภาวนาทรงถืออนาปานสติเป็นหลักของการภาวนาซึ่งเป็นความถูกต้องตามหลักการที่จะให้ตรัรู้ได้ พระองค์จึงทรงรู้ได้โดยลำดับนับแต่ปฐมฌานทุติยฌานหรือปฐมยะปฐมมยามมัชฌิมยามปัจฉิมยา ม, ม, ยามและทรงรู้ไปโดยลำดับลำดาถึงคำละเอียดละออโดยในตรัสรู้ธรรมในคืนวันเดือนหกเป็นนั่นนี่ก็ที่เกี่ยวกับการอดพระกาหารก็คือ ตอนนั้นพระองค์ไม่มีกำลังอะไรที่จะมาทับถมในทางร่างกายเลยมีแต่พระจิตร้วนวนซึ่งพร้อมที่จะรับทำอันถูกต้องคือรับการนำเนินและทำอันถูกต้องอยู่แล้วเมื่อกำหนดอนาปานาักสติลงไปพระจิตจึงมีความละเอียดละออำเข้าไปโดยลาดับอย่างรวดเร็วทางร่างกายก็พร้อมแล้วไม่มีคำว่าเป็นภยัยไม่มีคาว่าเป็นการทับถมถจิตใจ ให้อุดอากเหนื่อยนายลำบากลำบุมีแต่ความค้่องแคล่วภายในจิตคือภายในภะกิตของผู้องเกี่ยวกับการดำเนินพิจารณาทางด้านจิตตาภาวนาโดยถ่าเดียวเท่า น, นั้นจึงได้ตรัสรู้ขึ้นมาหากพระองค์ทรงพิจร า, ารณาอนัปปานสติตั้งแต่ ระยะที่กําลังจงอดพรกยาหารอยู่นั้นก็ไม่น่าจะผิดพลาดมาเป็นเวลานานอาจได้จากสรุ้ก่อนหน้านั้นเคยซ้ำแลวสรุปความในการบําเพ็ญของพระองค์นั้นเป็นอย่างไรความเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ละเอียดละออสุกคุ้มคำพีรำภาพแต่พูดถึงหน้าที่การงานหยาบๆก็ไม่มี มีแต่ความละเอียดละออพระกาหารที่อยู่ที่อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เสด็จไปมามีแต่ความราบรื่นดีงามด้วยการตกแต่งจากไฟฟ้าประชาชีที่เขาถือว่าเป็นสมมุติเทพอิเทวดาโดยสมมุติได้แจ่พระเจ้าแผ่นดินองค์พระองค์งจึงไม่ทรงมีอะไรลำบากลำบนทางทรากายแต่เวลา ทรงออกสเสด็จออกประหนวดทรงบำเพ็ญพองค์นี้พระกายนั้นก็ไม่ผิดอะไรกับพุทบอลที่ถูกเตะถูกกริ้งกันอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ขณะที่สเสด็จออกสมงประหนวด จ, จะไม่รับความสะดวกสบายอะไรจากอาหารการบริโภคที่อยู่ทบี้ยใช้เครื่องนุ่งห่มใช้สอยาแก้โรคแก้ภยัยใดใดทั้งสิ้นมีความบีบบังคับทั้งส่วนพระกายของพระ อ, องค์และ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 ตามโลกสมมุติยุ่พระองค์ก็ทรงตัดเพราะเหตุ น, นั้นจึงต้องได้รับความลำบากลำบุทั้งทางพระกายและพระจิตกว่าจะได้มาจาัดจรูปก็เป็นเวลาหกปีทรงตกนรกทั้งเป็นอยู่นั้นพอผ่านหกปีมาแล้วพระกายก็เคยชินต่อสิ่งเกี่ยวข้อ ง, งต่างๆคืออาหารปัจจัยทั้งหลาย แล้วก็เริ่มมีขึ้นมาเนื่องจากที่เขาได้ทราบว่าพระพุทธพระสมณะอ่าพระสิทธิอจิาราชุกมุมารและจัดจะรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วและประกาศธรรมให้เกิดความเชื่อมความเชื่อความน้อมใสใ่แก่ประชาชนผู้มีอุปณิสัยประัจที่ควรจะรับธรรมนั้นๆอยู่แล้วทางพระจิตก็ได้จัดจรู้แล้วไม่มีอะไรที่จะเข้าบีบบังคับพระองค์เหมือนอย่างแต่ก่อน หากว่าจะได้รับความสะดวกทางพระกายก็ได้รับสะดวกได้รับความสะดวกรักหลังจากการจัดจะรู้แล้วรับความสะดวกทางพระไทยก็ได้รับหลังจากการตรัสจะรู้แล้วที่กล่ามาทั้งมวล น, นี้ล้วนแล้วตแต่เป็นความกะเกี๊ยบแตะกายเป็นวิธีการแห่งการรบการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นตัวเหนียวแน่นยันวัตตะบุญ ถังอยู่ภายในจิตใจอั น, นไม่ใช่เป็นของที่จะถอดถอนได้อย่างง่ายได้เพราะจะตักเอาตวงเอาเหมือนนะ้าเหมือนท่ามีเราทั้งหลายเป็นลูกจิตที่มีครูจงพยายามเดินตามล่างลอยของปัจพุธบันหาจะเกิดความลำบากลําบนขึ้นมาจะทําให้เกิดความท้อแท้อ่อนแออันจะเป็นฝ่ายทีกิลิดได้รัดได้เปรียบก็ขอให้พลิกตัวพลิกตัว เสียใหม่ด้วยอาจด้วยธรรมโดยนำพระพุทธเจ้ามาเป็นสาระทั้งทางด้านจิตใจและการดําเนินตา่างธรรมเกิดขึ้นมาจากความลําบากนําบนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ชาวโลกที่เลืเราทั้งหลายได้กล่าวอ้างเป็นสาระอยู่ร่วงได้แต่เป็นผู้เดินตายมาด้วยกันแทบทั้งนั้นเราจึงไม่ควรถือว่าว่าธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย เพราะอำนาจของกิเลสที่ปิดบังอยู่นั้นจะเปิดช่องเปิดทางให้โดยเองให้ให้เองโดยไม่ต้องบังเพงจิตใดๆหรือเปิดทางให้เองเพราะความดําดิบความคิดต้องการอยากได้รู้อยากรู้อยา ก, ยากเห็นทำเท่านั้นตองเรามีการต่อสู้กับกิเลสเป็นระยะระยะตามขั้นภูมิของมันความหนักเบาของการต่อสู้กิเลสก็ต้องหนักเบาไปตามกําลังของกิเลสที่มีหนาบางมากน้อยลึกตื้นอยากละเอียดแค่ไหนนั่นแหละ <c oughs> ยิงไม่ควรนําความทอแท้อ่อนแอทางด้านจิตใจเข้าไปเป็นเครื่องมือปราบกิเลสจะกลายเป็นเครื่องมือเสริมกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวเครื่องมือปราบกิเลสต้องเป็นความขยันหมั่นเพียรความอดความทนความพินิจพิจารณาไตรตรองหาเหตุหาผลที่ความติดเพื่อต่อยวางอยู่เสมอเป็นผู้ไม่นอนใจทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์ทุกข์ที่ถูกทางกําลังดําเนิน อยู่ตามหลักธรรมนี้ไม่มีอะไรเสียหายจะเป็นทุกข์ในอยาบทใจก็าตามทุกขด้วยวิธีการต่อสู้กับพิเดศประเภทใดก็าตามไม่มีความเสียหายทั้งนั้นนอกจากทุกข์ในเรื่องผิดทางออกเป็นความเสียเป็นความลําบากต่อเปล่านี่เราก็ได้ยินได้ฟังมาแล้วอุบายวิธีการต่อสู้กับพิเดศที่แก้ไขผ่ดถอนพิเดสนั้นผ่ดถ อ, อนวิธีใดแก้ไขวิธีใด ถึงไม่ควรสงสัยในรมสัง่งสอนที่ท่านแสดงไว้เรียบร้อยแล้วโดยเป็นสวนขาตัดธรรมจัดไว้ชอบมีก่เ็ดนี้เท่านั้นเป็นตัวการหมูนจิตหมุนใจให้รับความล ำ, ลำบากลำบุให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธ ให้ยินดีในสิ่งนั้นไม่ยินดีในสิ่งนี้ให้ประยุทธ์อารมณ์นั้นปรุงอารมณ์นี้ขึ้นมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยจนวุ่นวาย แ, แต่เป็นพิษเป็นภัยนี่แต่กิเลสที่อย่างเดียวยิดหาความสงบถูกไม่ได้เพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับให้หมุนไปเปลี่ยนมาอยู่เช น, นั้นไม่ใช่อะไรเป็นเครื่องบีบบังคับออถ้าหากว่าเราทอดแท้อ่อนแอต่อความเพียรที่จะถอดถอนนึกแก้ไขตัวเอง เพื่อกิเลสจะลดน้อยลงไปจนถึงขั้นหมดไปก็ถือเป็นความลำบากขบวนแล้วก็ไม่มีทางเดินเพื่อความพ้นทุกได้เลยนี่เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นมากสําหรับเราผู้เป็นนักบวชเพื่อความพ้นทุกทุกนี้มันมีสิ่งที่น่าสงสัยทุกในกายก็เหยียบย่ํำทําลายเราอยู่ตลอดเวลาสงสัยที่ตรงไหนทุกมากทุกน้อยย่อมเคยประสบพบเห็นมาด้วยกัน แต่เป็นการเจ็บไข้โดยป่วยเจ็บหัวตัวร้อนประการใดมันก็เป็นเรื่องของทุกข์ทั้งมวลหิวกระหายก็เป็นเรื่องความทุกข์ทั้งหมดในยบดิต่างๆที่ไม่สม่ำเสมอก็เป็นเรื่องความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบกระเทือนร่างกายรวดเร็วแต่จ ะ, จะทำร่างกายนี้ให้เกิด ค, ความทุกข์ให้เรารู้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาจึงไม่น่าสงสัยที่ตรงไหนว่าจะมีของดิดของดีภายในร่างกายนี้นอกจากเป็นเรือนของทุกข์โดยแต่เดียวเท่านั้น ส่วนสุขไม่ค่อยปรากฏในร่างกายมันมีแต่ความทุกข์เด่นอยู่ตลอดเวลาเจ็บนั้นปวดนี้นร้อนนั่ส่วนร่างกายถ้าจิตก็ลุ่มหลงเป็นกังวลกับความเจ็บปวดของร่างกายนี้ด้วยแล้วก็ย่อมเป็นภัยจากจิตใจขึ้นอีกขั้นหนึ่งเป็นโรคสองชั้นขึ้นมาเป็นโรคกังวลโรควุ่นวาย า, ายแสอยากให้หายอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากอยู่สบายมีแต่ความอยากอันเป็นเรื่องของจิตเข้าบีบคั้น เรื่องของกิเลสไม่เคยสร้างคุณงามความดีและความถูกความไปเดินเป็นที่สมหวังให้แก่ผู้ใดทั้งนั้นเราจึงไม่ควรสงสัยไม่ควรที่จะไปเชื่อกิเลสอยู่ตลอดไปทําทั้งหมดนี้เพื่อให้รู้กลมายาของกิเลสทั้งหมดไม่ใช่ทาเป็นเครื่องหลอกลวงให้หลงตามคนกิเลสกลมายาของกิเลสแต่เป็นเครื่องให้รู้กลมายาของกิเลสทุกประเภทที่สแสดงหรือทํางานอยู่ภายในจิตใจของตน ผู้ปฏิบัติจงดูจุดนี้ให้ละเอียดละออและสม่ำเสมอทุกอิยาบททุกอาการที่เคลื่อนไหวมีสติเป็นเครื่องยืนยันในความเปลี่ยนของตนจากนั้นกับปัญญาพิจ น, นาแต่จอมยาได้ปล่อยวางมันไม่มีอะไรสงสัยแล้วแหละสำหรับโลกอันนี้มีแต่เรื่องเมื่อความเกิดเป็นตัวเหตุแล้ว ความแก่เจ็บตายก็ตามกันมาซึ่งร้วนแย่จนแต่หาผามทุกมาเต็มตัวเต็มตัวด้วยกันทั้งนั้นแต่ละอาการที่แสดงตัวออกมาให้ปิดปกติมีแต่เป็นเรื่องหาผามของทุกมาทับถมโจมตีเราอยู่ตลอดเวลาทั้งทางร่างกายและจิตใจจึงไม่ควรจะสงสัยเนี่ยที่ว่าทุกไม่มีอะไรจะทุกจะรับยืนกันทุกได้เหมือนจิตจิตนี้ทุกทั้ง สิ่งที่มาเกี่ยวข้องสิ่งที่เกี่ยวข้องนี้รับผิดชอบของตนเช่นร่างกายสมบัติต่างๆเป็นผู้รับิจเป็นผู้รับผิดชอบสมบัติภายนอกไม่ถ่ายสมบัติภ า, ายในร่างกายนี้กิจนี้ถือเป็นความสนิทสนมกลมกลืนประหนึ่งว่าเป็นอันเดียวกันกับตนจริงๆมียิ่งเป็นความกังวลของใจจนกลายเป็นสัญชาธิญาณขึ้นมาเพราะที่ เ, เสริมให้เป็น นอกจากพระสารเท่านั้นจะมีแต่สัญชาติญาณรวนรุนไม่มีอุปท า, านไม่มีกิเลสพาให้เป็นผิดกันอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นแล้วทําไมจะไม่เกิดความทุกข์มาเป็นที่นั่นแล้วทุกต้องเสียดแทงกิจอยู่ตลอดเวลาเพราะกิเลสยื่นให้เสมอยื่นให้เสมอล้วนแล้วตั้งแต่ยึ่งล้วนแล้วตั้งแต่ยาพิษเรายังไม่รู้เห็นคนมายาของมันแล้วก็จะแหวกทางจากมันไปได้อย่างไรจึงต้องอาศัยสกิจปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนพิพิจารณา เรามีงานอันเดียวเท่านี้เพื่อความพ้นทุกข์ด้วยความเพียนของเราจิตการงานอื่นมีผู้รับรองไว้หมดชีวิตชีวาฝากไว้กับญาติกับโยมประชาชนจับท่ธธาทั้งหลายภูมใจบุญ ม, มีอยู่มากมายในประเทศไทยของเรานี้เป็นแดนพุทธศาสนาเป็นแดนแห่งคนใจบุญคือพุทธศาสนาอยู่แล้วจึงนึกควรชิดมกลัวตายด้วยความอุจาขาดแคลนในปัจจัยทั้งสีให้กลัวตั้งแต่นี้ไม่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 ไม่ใช่งานเล็กน้อยต้งพยายามทํางานท้องตนให้สมบูรณ์เริ่มต้นตั้งแต่ทําจิตให้สงบจิตทําไมจะสงบไม่ได้เราทราบอยู่แล้วว่าจิตสงบไม่ได้เพราะอารมณ์ความคิดความปรุงความแต่งความต้องการมั่นหมายทั้งอารมณ์อดีตอารมณ์มนาคตศคว้ามายุ่งอยู่ภายในจิตใจเป็นผู้ทํางานจึงหาเวลาว่างมาได้สำหรับงานของจิตที่จะสงบตัวลงไปไม่มีถ้าไม่ทําให้มี ด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยการพิจารณาการภาวนาการภาวนาเบื้องต้นเราก็เอางานทางด้านธรรมะเข้าไปทับหรือแทนที่งานของที่เหล่งานที่เหลกคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อสังคมตัวเด้งขึ้นมาให้มีกําลังมากแต่งานของธรรมเช่นงานบริกรรมพุทโทธโทธรรมโมสังคโฆบุญไกรร็ตามแม้จะเป็นงานก็ตามแต่นี่เป็นงานทางด้านธรรมะเพื่อจะทําจิตใจของเราให้สงบ ให้เน้นหนักลงไปในงานอันนี้เปลี่ยนงานจากเรื่องงานของเกศเข้ามาเป็นงานของธรรมและจะเป็นเครื่องตารากตรารรมกิเกศหรือทิเกศให้สงบตัวเงได้ด้วยงานประเภทนี้คืองานบริกรรมภาวนาเอาให้กริงให้จังยารลหละเล่นๆนั้นไม่ใช่ทางของนักบวชผู้ปฏิบัติและไม่ใช่เรื่องของาศาสนธรรมความเลีเหลวรหลายๆโยโยกคอนกรด ความเอากิ่ ง, ห า, งหาจังหาหลักหาเก่งไม่ได้ด้วนแลน่แต่เป็นเรื่องของกิเลสดูฉากหลังทั้งนั้นเรียนเข้าไปเรียนเรื่องของกิเลสจะไม่ทราบเรื่องของกิเลสไม่นี่ถ้าตั้งใจเรียนจริงจรงมันมีอยู่ทุกระยะทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดเราก็หลงกลมายาของมันอยู่ตลอดไม่ว่ากลมายาหยาบกลางละเอียดหลงได้ทั้งนั้นถ้าสติปัญญาไม่ทันด้วยเหตุ น, นี้จึงต้องสร้างสมสติปัญญาจตนาความเปลี่ยนขึ้นมา โดยลํำดับหนักจนมีกําลังเต็มตัวพูดถึงสมาธิเอาให้สงบไม่นอกเหนือไปจากอํานาจแห่งธรรมที่นํามาใช้มาปฏิบัตินี้ได้อยู่ตรงนี้เอาให้กินให้จางจนมีความสงบได้มันจะผ่านปวนโลดเติ้ลขนาดไหนก็เถอะอีกนี่นเพราะอํานาจของที่เดาพาให้เป็นจะไม่นอกเหนือไปจากธรรมคือวิรยียวิริยะธรรมสติธรรมปัญญาธรรมขันติธรรมไปได้เลยอันนี้เราเป็นเครื่องปราบที่เร่ ถ้าพากันนำเข้ามาใกล้ชิดติดกับตจของตนอยู่เสมอยาได้ปล่อยวางยาได้ห่างเหินทำเหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมพาเราให้หลุดพ้นจากแดนแห่งนรกทั้งเป็นทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราเองเราเป็นมันสงบเมื่อจิตมีความสงบได้มากน้อยเพียงไรหลัหลงจากนั้นแล้วให้พยายามนำจิตออกที่กันนาทางด้านปัญญา อย่าไปถือขั้นนั้นขั้นนี้ของสมาธิว่าควรแกะปัญญาหรือไม่ควรแกะปัญญาให้ถือเรื่องความสงบจิตสงบมากน้อยมีความอิ่ตัวให้ปรากฏไม่ยิ่งเยกับอารมณ์ต่างๆเพราะความสงบคือความคืออ่ะปัชาลดอันสําคัญของจิตแต่แล้วก็ให้พิจารณาทางด้านปัญญาเอาร่างกายของเรานี่แหละเป็นต้นเหตุสาคัญยิ่งกว่าอื่น แต่ก็มาได้ปฏิเสธว่าสิ่งภายนอกไม่ไม่สําคัญนี่หมายถึงร่างกายของเราเป็นสําคัญอันดับอันดับหนึ่งคุณต้องใหพิจารณาเป็นกายเวทนาจิตธรรมกหมายถึงกายของเวทนาจิตธรรมของแต่ละหลายหลายแห่งผู้ประกอบความภาคเปลี่ยนนั่นแหละเป็นหลักเป็นที่ตั้งอ๋อาาพิจารณาลงแต่พิจารณาทางร่างกายดูเข้าไปตั้งแต่ผิวหนังผมขนเล็บฟันหนังเป็นของสวยงามที่ทุนไหน รู้ให้มันชัดเจนตามหลักความจริอย่าให้กิเลสแทรกเข้ามาปลอมตัวเข้ามามันปลอมตัวเข้ามาว่านั่นสวยนี่งามว่าผมงามขนงามเล็กนะสวยงามฟันสวยงามเนื้อหนังบังสังสวยงามอวัยวะทั้งตัวนี้สวยงามทั้งภายในภายนอกมันเหมามันเสกเข้าไปได้หมดว่านั่นก็สวยงามนี่นก็สวยงามแล้ว ก, ก็ปกครอบคุมลังขนาดไหนจนจะดูไม่ได้มันก็เสกสรรนั่นว่าสวยงาม นี่คือกลมายาของกิเลสทั้งหวดความจริงอภิญญาลงไปจับตรงไหนจับให้แม่นยําให้รู้อยู่ตรงนั้นยาเสียดายความรู้นี้เพื่อไปรู้อันไหนอีกในขณะที่พิจารณาให้จดจ่อต่อเนื่องกันอยู่กับสิ่งนั้นจริงๆเช่นพิจารณาผมหรือขนหรือเล็บหรือฟันหรือหนังอะไรก็ตามที่มีความถนัดกับจรดิตฐของตอนแล้วให้กําหนดพิจารณาจับนั้นเป็นจุดแรกเหมือนกับไฟที่จ่อเข้าไปในเชือเช้อของไฟ เจาะเขไปแล้วมันจะค่อยปรากฏเป็นไฟขึ้นมาแล้วจะลุกลามไปตามเชื้อของมันที่มีมากน้อยกว้างแคบขนาดไหนมีปัญญาก็เหมือนกันปัญญานี่เหมือนไฟเผาที่เดชนั่นแหละี่เดชนมันตอไวตรงไหนมันตัดมันตันเกียรแรงมันไวตรงไหนมันเสียบมันแทงไว้ที่ตรงไหนปากเสียบไว้ที่ตรงไหนพิจนาเข้าไปเฉพาะอย่างยิ่งหนังเป็นสำผัญ มันห้มห่อร่างกายของเรานี้ให้หลงอย่างแบบจมิดไปได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเคยเป็นอย่างนั้นแล้วนี่คือความจําวางของเจเละมีความกินของรมดูให้ดีตั้งแต่ผิวแทๆ้ๆผิวหนังว่าเป็นของสะอาดสวยงามมันสวยงามอะไรเต็มไปด้วยขี้หมุนขี้ใขรคือขี้ทั้งนั้นนงนิดเดียวเท่านั้นความบางของมันผิวฟังแต่ว่าผิวหนังพอผิวมันถลอกไปนิดเท่านั้นก็เยิมออกมาใน มันดาสิ่งที่สกระปรูรโหมไม่พึงป่ปาถนาทั้งหลายจะเยิ้มออกมาเลยเช่นเลือดะปุโพโลโหิตแต่ยิงตายไปแล้วกับปูโพโลหิตน้ำเน่าน้ำห น, อ, น, ำหนองพู้พองเต็มไปหมดทั้งล่างแม้แต่หนังที่ว่าสวยสวยงามงามันก็เป็นตัวผู้ตัวพองตัวเน่าตัวเหม็นเหมือนกันไปหมดกับสิ่งภายในที่มันหุ้มห่อเอาไว้อันมันสวยงามที่ตรงไหนนี่คะปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้นักยาเสียดายความคิดความปรุงไปใน ในแง่อื่นให้ต้องวนความคิดนี้ให้เข้าอยู่ในจุดศัจธรรมหรือสติปัฏฐานสี่คือกายดูให้ดีดูไปสลอดทั่วถึงให้จิตเทินอยู่นั้นบังคับนั้นเรียกว่าปัญญาในขั้นเริ่มแรกที่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นบังคับให้ทํางานให้รู้ให้พิจารณายาเสียดายความคิดความปรุงซึ่งเคยคิดเคยปรุงกับเรื่องนั้นเรื่องมีมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้ที่เราภาวนายอย่างนี้ไปเสียดายมาอะไร ความเจ็บดาสิ่งนั้นก็คือถูกกิเลสบังชุดมันละออกไปนั่นแหละชุดขนาดไหนก็ไม่ไปจะเอาตรงนี้ทําสอนรูดลงที่ตรงนี้จะพิจารณาตรงนี้อ๋อพิาจารณาะตั้งแต่ตัวที่ว่ามันสวยๆงามๆผิวๆมันนีแ่แล้วสุดท้ายมันก็เป็นอย่างเดียวกันหมดกับภายในยิ่งพิจารณาเข้าภายในมากเพ่างไรแล้วมันดูได้เมื่อไรร่างกายของคนเราคนหนึ่งๆนั่นนี่เราฝืนความจริงปหาอะไรดูให้มันเห็นชัดเจนเมื่อเห็นชัดเจนแล้ว จิตนี้จะเกิดความสฉลดสังเวชภายในตัวเอง mm hmm. เกิดความสฉลดสังเวชพราะการเห็นความจริงมากน้อยเปลี่ยนหลายจิตใจยิ่งอ่อนยิ่งนิ่มยิ่งเบาหิวหิวหิ ว, ว, ว, วไปโดยลําดับลําดาที่ดูที่เห็นที่ปัญญาซึมซาบเข้าไปนั่นแหละมันยิ่งซึ้งซึ้งไปเรื่อจากนั้น ก, ก็กําน้ําหนักลงไปจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้ผู้พองหน้องหลไปแล้วยังต้องแตก กระจัดกระจายออกจากกันออกจากส่วนผสมของมันกลายเป็นซากอสบไปหมดทั้งร่างกายแล้วมันแตกไปตรงไหนกลายเป็นซากอสบไปทั้งนั้นเป็นของปฏิกูลโสโครกไปทั้งหมดอยู่ในกายก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแตกออกไปจากกายซึ่งเป็นกองโสโครกโสม ม, มี้แล้วก็จะก็กลายเป็นสิ่งโสโครกเลอะๆไปหมดเลอะเทอะไปหมดเลย่ะดูเถิดทางนั้นก็ค่อยเหี่ยวค่อยแห้งลงไปตามสภาพของมัน อน้ำที่มันเยิ้มอยู่ด้วยควาเน่าอยู่กับสิ่งที่เน่าที่เหม็นนั้นมันก็ค่อยแห้งเหือดแห้งของมันไปดินก็ค่อยเปลี่ยนสภาพของมันไปรูปร่างต่างๆของสกุากาที่แต ก, กกระจายไปนี้ก็เปลี่ยนสผิวพันธ์เปลี่ยนสีสันวันละเปลี่ยนสภาพของตัวเองไปโดยลําดับกำลดงจนกลายเป็นเรื่องแห้งกรอบไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็ส่วนเทียงแข็งนี่ก็ซึมซาบกลมคลืนกันไปกับแผ่นดิน เน้ำก็ค่อยเหงื่อแห้งออกไปจากร่างกายเป็นไอไปตามอากาศซึมซาบลงในแผ่นดินมีตามสภาพของมันเป็นอย่างนี้นส่วนลมไฟก็ไปตามสภาพของตนเท่านั้นเมื่อหมดความอบอุ่นแล้วไฟมันก็หมดไปลมหายใจเป็นต้นเอาหายใจมาจากไหนคนตายแล้วมันก็สลายของมันไปหมดแล้วอันใดเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขามองดูแล้วเห็นแต่แผ่นดินทั้งแผ่นมันกลมกลืนเป็นอันเดียวแล้วกับแผ่นดิน ที่เราหยาบย่ําไปมาหญิงนี้ถาวันน้ามันก็กลายลงไปเป็นน้าแล้วน้ํานั้นหรือเป็นคนน้ํามันหรือเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นของสวยของงามถ้าน้ําเหราเนั้นเป็นของสวยของงามน้ําที่ไหนก็ต้องงามหมดสวยหมดติดหมดเจ็ตนี่ทําไมจีนมาหมายมั่นปั้นย่อาเอาใจน้ําที่กิเลสมันเสตสันปัญนยอว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ละอายตนตั้งเหรือะปัญญาเมื่อสอดแทรกเข้าไปว่าดินก็แผ่นดินก็เหยียบไปมาอยงนี้แล้วร่างกายที่เป็น ธาตุดินนี้มันผิดแปลกกันยังไงมันก็ไม่ได้ผิดแปลกกันเวลา ก, า ล, กลายจากสภาพนั้นความเปียกสันปั้นยนี่ลงไปแล้วก็ไปเป็นดินต่างสภาพเดินี่น้าเห็นชัดเจนอย่างนั้นเมื่อลงถึงขนาดนี้แล้วจิตจเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้านั่นแหละความละเอียดละ อ, อของจิตความนิ่มนวลของจิตความซึ้งของจิตความสุขของจิตความสลด ส, สังเวชของใจก็ แสดงตัวอย่างเต็มที่เต็มที่เต็มที่โดยลําดับธรรม ด, ด, ดทีนี้เรื่องอุปทานไปยึดมัน่นถือมัน่นก็เมื่อมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมันเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโคกหลังจากนั้นก็เต็มไปด้วยดินน้าลงไฟซึ่งเป็นธาตุเดิมของเหลวไปติดมันอะไรนั่นเมื่อซึ่งแล้วก็ถอนความยึดมัน่นถือมัน่นสำคัญผิดนั้นออกมาโดยลําดับธรรมดาแล้วพิจนารณาแล้วพิจนารณาเล่า ครั้งนี้พิจารณาอย่างนี้เป็นสิ่งที่ฝังลึกอย่างใจแล้วเป็นอจจารตะัทธาเชื่อมั่นอย่างชัดเจนด้วยปัญญาของตนที่พิจารณาเห็นแล้วว่าสิ่ง น, นี้เป็นนี่สิ่ง น, นั้นเป็นนั่นตามความจริงวันหลังพิจารณาอีกโดยไม่ต้องประยุท์อารมณ์ Samsung ที่เคยพิจารณามาแล้วความรู้ความเห็นที่เคยเป็นเคยไปผ่านมาแล้วนั้นเอารับปัจจุบันขึ้นผิดขึ้นมาอีกพิจารณาด้วยอุบายใดก็ตามไม่ต้องไปคาดไปหมายของเก่าที่เอามาพิจารณาแล้วว่าให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างที่เป็นมาแล้ว นันเป็นความคาดความหมายให้อย่างลุงในหลักปัจจุบันของคือร่างกายนี้อีกเท่านั้นเนี่ยพิจาราแต่อย่างนหละเมื่อหลายครั้งหลายผลมันก็ยิ่งชัดเจนเข้าไปชัดเจนเข้าไปจากนั้นก็คร่องแคล่วคล่องตัวการพิจารณารวดเรยวขึ้นเป็ น, นลําดับตำนาแล้วมองเห็นทั้งภายนอกภายในเหมือนกันหมดอถ้ายังไม่แตกก็มองเราเด่นในอวัยวะใดอวัยวะนั้นจะแสดงตัวขึ้นมาหเห็นอย่างชัดเจน ทั้งภายในภายนอกเห็นเห็นหนังหุ้อหุ้มกระดูกหอกกระดูกก็เห็นเป็นอย่างนั้นถ้าเห็นร่างกระดูกก็เห็นเป็นร่างกระดูกไปนั้นถ้าเนื้อก็มีแต่เนื้อเต็มตัวแดงโลดฉาบทาไปด้วยปลูกโพลหิตน้ำน่องน้ำหนมันมีความเสียงงามความที่นารักใครชอบใจที่ตรงไหนนี่คือความคล่องแคล่วว่างไวของจิตจะเป็นเป็นอย่างนั้นจนกลายเป็นพื้น ฐานของกิจให้เห็นได้อย่างชัดเจนประจำตัวแล้วก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของปัญญาที่มีความขลาดแหลมคมโดยลำดับแต่นั้นสิ่งเหล่านี้ก็กระจายหายไปไปหมดว่าเป็นร่างกระดูกก็ดีว่าเป็นอะไรก็ตามในอวัยวะส่วนนี้ส่วนนั้นส่วนของใครก็ตามเลยค่อยกลายจางหายไปหายไปจากกิจเปลี่ยนสภาพไปด้วยอนานาจของปัญญาที่มีความละเอียด โดยลำหนักลำดาสุดท้ายสิ่งนั้นก็หมดอุปทานนัขันคืออุปทานะในรูปประขันนี้ก็หมดสิ่งที่มันสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ในร่างกายนี้ก็คือเวทนาขันเมื่ออันนี้มันละเอียดแล้วออกลงไปจนายแล้วทุกเวทนามันก็ไม่มีอำนาจที่จะมาสิงคาบทุกเวทนานในขัน มันกน็มีอำนาจที่ไปซึม่ภาภายในจิตใจของเราให้เกิดความทุกข์ความลำบัดเพราะขันไม่สะดวกสบายเพราะขันเป็นทุกได้เลยการพิจารณาขั้นนี้อ่เป็นขั้นที่ถ้าพูดถึงปัญญาก็ผาดโผนมากใช้กําลังอย่างบึกบึนจริงๆอันเป็นปัญญาที่ผาดโผนมากถ้าเป็นการลบก็เรียกว่าตะดุมบอนกันอย่างเต็มที่นั่นนั่นวันไว้ไปหมดนั่นแหละถ้าเราจะเทียบออกไปสู่ภายนอก ปัญญาขั้นมีพิจารณานี่คือปัญญาเมื่อจิตใจมีความเมื่อหิวอ่อนเพลียเพราะทํางานด้วยการพิจารณาอยูย่ไม่หยุดไม่ถอยย่อมมีความอิเหนา อ, อิเหนาเมื่อล้าเหมือนกันก็ต้องเข้าพักสมาธิคําว่าสมาธิพักคือพักสงบใจเทียบว่าพักงานของใจให้เข้าสู่ความสงบกราศจากความคิดปรุงใายทั้งสิน้นเหลือแต่ความรู้นวล หากมันไม่เข้าเราจะใช้คําบริกรรมคำใดก็ตามเท่าใช้ไม่ไม่มีคําว่าสูงเกินไปต่าเกินไปเพราะทำทั้งนั้นนสูงต่ําที่ตรงไหนฝ่าเท้าเรากับหัวเรามันอยู่ด้วยกันในร่างอันเดียวกันนี้มันสูงต่าที่ตรงไหนอันนี้คือมันกันเมื่อเรานําคําบริกรรมเข้ามาใช้กํากับจิตไม่เพื่อไม่มันคิดมันปรุงไปกับเรื่องปัญญาลแล้วก็นํามาใช้บังคับให้จิตมีความสงบตัวด้วยสมถะ จริงๆเหมือนเหมือนหนึ่งว่าเราไม่เคยใช้ทางปัญญาเลยคือไม่สนใจกับความคิดความปรุงด้วยปัญญาสนใจกับความความปรุงด้วยควาบริกรรมให้รู้อยู่เพียงอันเดียวนี้เท่านั้นอีกขั้สงบอีกพอสงบแล้วย่อมได้กำลังเพราะพักงานพอถอยออกมาก็พิจารณาทางด้านปัญญาทีนี้ไม่ต้องห่วงสมาธิ เอาให้เต็มเหนี่ยวทางท่านปัญญาจะรู้จะเห็นสิ่งใดมากน้อยอยากละเอียดเพียงไรเอาให้เต็มฝีมือของปัญญาของสติที่กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันไปอยู่โดยลําดับลำดานั้นแล้วความรู้จะชัดเข้าไปโดยลําดับและเป็นตามขั้นตามภูมิข้งตนเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆอาการของสิ่งพิจารณาก็เปลี่ยนสภาพไปอาการอาการของปัญญาคือปัญญาที่แสดงออกก็เปลี่ยนสภาพไปจากความอยากเข้าสู่ความละเอียดละเอียดเรื่อยไปโดยลําดับลำดาน ปุ่นหนึ่งการพิจารณารูปประคันเวทนาขันก็ดังที่เคยอธิบายมาแล้วกี่ครั้งกี่หงนั่นเป็นบาทเป็นฐานเป็นแนวทางที่ให้ผู้ผู้อบรมทั้งหลายได้นําไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนให้เป็นผลประโยชน์ขึ้นมาจากการจากการารงงานของตนจริงๆไม่ใช่เพียงจะมายึดเอาแนวทางท่านแ่เป็นสมบัติของตัวเองนั่นมันกลายเป็นปริยัติกลายเป็นความจําไปเสียไม่ใช่เป็นเรื่องของปัญญาที่จะเข้าสู่ความจริงการพิจารณาปร เพื่อให้เห็นความจริงเข้าสู่ความจริงนี่เป็นเป็นเรื่องของปัญญาทำมาใช้าํามาปเป็นนิพพิจแน่ทุกเวทนาเกิดขึ้นในกายก็เป็นเมตนาของมันเต็มตัวไม่ใช่กายกายก็เป็นกายเต็มตัวไม่ใช่เวทนาจะเป็นสุกเวทนาทุกเวทนาเฉยเฉยก็อุเบกขาเวทนาก็ตามมันก็เป็นเวทนาทั้งสามอยู่โดยตรงกายของเราก็เป็นกายอยู่โดยตรงจะมา ถ, ถือว่าเป็นเราเป็นของเรา มาถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรนี่นี่พูดถึงเรื่องเวทนาทางกายส่วนเวทนาทางจิตเป็นสิ่งที่ละเอียดมากย่อมมีเสมอไปหาดไม่ได้แสดงความรุนแรงเหมือนทุกเหมือนเวทนาทางกายเช่นทุกเวทนาเป็นต้นอันนี้เมื่อมันหมดปัญหาทางร่างกายมันก็รู้ในตัวเองไม่จําเป็นจะต้องให้ใครมาบอกว่าจะพิจารณาอะไรต่อไปนี้เมื่อมันหมดปัญหามันก็ปล่อยของมัน เพราะมันรู้เมื่อรู้แล้วก็ปล่อยเองปล่อยเองแล้วก็หมดปัญหาไม่พิจานณาสิ่งใดที่จิตมีความสัมผัสสัมพันธ์อยู่จิตก็จะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์เช่นเวทนาอิจสัญญาสังขานวิญญาณทั้งขานกบวิญญาณนี่สำคัญแต่เพราะอย่างยิ่งสัญญามันหมายถึงอย่างซึ้งมากทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามในอาการทั้งห้านี้เราจะจับจุดใดก็ก็ถูกด้วยกันทั้งนั้นมันลุกรามหาทันหมดเชื่อมโยงไปถึงกันทังขานความคิดปรุงคิดเรื่องอะไรขึ้นมามันก็ดับไม่ว่าคิดดีคิดชั่วคิดเรื่องอดีตอนาคตมันก็ปรากฏขึ้นในความคิดที่เป็นตัวปัจจุบันเกิดที่ตรงไหนก็ดับที่ตรงนั้นและเป็นจัดเป็นบุคคลที่ไหนเพียงความยับยับของจิต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 อะไรเวลาค้นหาตัวจริงๆมันไม่มีธรรมชาติว่าบุคคลว่าเราว่าเขามีเป็นความเสตจำนงตั้นยอของโลกสมมุติซึ่งได้มาจากที่เด็ดเป็นผู้มอบให้ผู้เหน่งหน่อยแล้วก็เป็นไปตามเรื่องของมันตา่างายจึงถือว่าเป็นของจริงของจังทั้งๆที่มันปลอมร้อยเปอร์เซ็ตก็ถือว่าเป็นของจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะคําเชื่อที่เด็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ั่นเองอเวลาพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามความจริงนี้แล้วเรื่องของ จามปรอมทั้งหลายนั้นม่นก็ค่อยหมดไปหมดไปจนกระทั่งไม่มนะีกับอาการทั้งห้านี่ซักแต่ว่าอาการหนึ่งเท่านั้นท่านยังเรียก ว, ว่าขันนะไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ขันนะันก็รวมตัวลงไปรวมตัวลงไปหนึ่งการลบกิเลส การฟาดฟันหันแหลกกับพี่เลพี่เลสไปหลกมันซุ่มซ่อนอยู่ี่ไหนมันยึดมันถือที่ตรงไหนปัญญาฟาดฟันหันแหลกเข้าไปเจอมันจนเห็นข้อเท็จจริงของกันและกันแล้วมันก็ปล่อยกันเองได้แต่พิจารณาไปอะไรอีกอันไหนที่ยังเป็นปัญหาจิตก็จะไปสัมผัสสัมพันธ์และสนใจในสิ่งนั้นพิจารณากันจนกระทั่งหมดปัญหาเช่นเดียวกัน อย่รูปประคันเป็นของหยาปัญญาขั้นนี้ก็รอบตัวพอแล้วปล่อยได้แล้วปัญญาสังขารมีญาณเป็นของละเอียดปัญญาขั้นที่เหมาะสมกันก็ยังมีที่จะต้องพิจารณาให้รู้แลเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอะไรต่ออะไรกันจนกรทั่งถึงเข้าสู่ความจริงด้วยกันรูปก็สักแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารมีญาณแต่ละอย่างอย่างสักแต่เวทนาปัญญาสังขารมีญาณเท่านั้นหาได้เปรนสัตว์เนบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชาที่ไหนไม่ะ มันก็ร kind of ู tonight, ้ได้ชัดนี่เมื่อรู้ได้ชัดก็จะว่าสิงจำปองทั้งหลายเหล่านี้ึกถูกลบล้างแล้วด้วยปัญญาปัญญาธรรมสติธรรมนี่เราต้อนเข้าไปยิเรศถูกต้องอะถูกต้อนด้วยธรรมอไปหลบซ่อนอยู่ที่รูปตีแตกกระจายออกจากรูปทั้นเสียหลบซ่อนทางเวทนาทัญญาสังขามียางก็ตีเข้าไปตีเข้าไปจนแตกกระจายหายสงสัยในเวทนาในเัญญาในสังขามียางว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัดเป็นบุคคล จนกระทั่งไม่มีที่ไปเพราะถูกตัดสะพานที่เชื่อมโยงกันเข้าไปโดยลำดับลำดับแล้วเหลือแต่ความรู้กับส่วนละเอียดนั่นหละที่อวิชาปยาสร้างข่าระหมดแล้วบริษัทบริวารที่เคยใช้สอยกันมาเคยเรื่องอำนาจบังคับบัญชาสิ่งนั่นสิ่งนี้ ออำนาจของตนก็หมดอำนาจไปหมดแล้วเพราะถูกตัดขาดภานฟันหันแหลกจากศฤษีปัญญาตัธาความเพี่ยนยังเหลือโดดเดี่ยวอยู่ภายในจิตกำหนพิจารณาในลักษณะเดียวกันถึงปัญญาขั้นนี้เล้วมันเป็นน้ำซับน้ำสึนในคำว่าขี้เกียจขี่ค้านั่นมันหมดมาตั้งแต่น้นแล้วตั้งแต่พิจารณาร่างกาย ในรู้จริงเห็นจริงกระเสือนนั่งกายแล้วตะลุมบอนกันเข้าไปจนแหลกแตกกระจายไปนั้นตั้งกันนั้นน่ะเรื่องความเพียรเป็นอัตโนมัติมาโดยระดับจากโน้นมาไม่มีคําว่าหยุดปลถอยไม่มีคําว่าทอแททอ่อนเดไม่มีคําว่าขี้เกียจขี้คร้านมีแต่ความหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ตลอดเวลาเป็นธรรมจักรอยู่ภายในจิตหมุนออกกิริยาใดอาการใดสแสดงออกอาการใดมีแต่อาการที่จะต่อสู้ ธาตพันธ์แห่งหลกกับที่เดืดทั้งมวลที่นี่นี่ละอาการของจิตที่แสดงออกคือปัญญานี่ก็เป็นอาการของกิตแต่พิสมาเป็นทั้งอาการของกิตโดยธรรมด้วยธรรมคือสติปัญญาเพื่อแก้เพื่อถอดเพื่อถอนอันนี้เป็นเป็นอาการของจิตเพื่อถอดเพื่อถอนอาการของจิตประเภทหนึ่งเป็นสมุนไพรคิดปรุงไปในแง่ใดเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเพราะกิเลสบงการให้คิดให้ปรุงเมดหมด สิ่งเหลนี้แล้วมันก็รวมตัวเข้าไปบงการประคิดอะไรอีกไม่มีทางบงการนำไปเพราะปัณดารอบหมดแล้วมีแต่มีแต่เรื่องของจิตจิตนั้นถ้าลงนะ่ะยิ่เล็ดมีอวิชชาเป็นต้นได้กลมกลืนหรือแทรกสิงอยู่ภาั้นแล้วมันจะเป็นจิตที่บริสุทธิ์ได้อย่างไรถ้าเป็นอาหารก็มีทั้งกระูกทั้งก้าง ควรจะการรักทานโดยชิ้นเช่นนั่นหรือนั่นถ้าเราจะถือเอาทั้งกิตนี้ว่าเป็นเราก็เหมือนกินไก่และวกินปลาทั้งกระดูกทั้งก้างนั่ น, นแหละแล้วติดคอตายกินได้ก้างก็รู้ว่าก้างเก็บมันออกกระดูกรู้ว่ากระดูกเอามันออกมีแต่เนื้อนวลๆนีน <laughs> ่กิเลสอวิชามอยู่ด้วยกัน วิจานาฟาดกันลงไปนั้นเคี่ยวให้แหลกแตกกระจายลงในอิตาวิชานั้นด้วยปัญญาะมีว่าเคี่ยวให้แหลกเคี่ยวลงไปตรงนั้นหกลงไปเคี่ยวลงไป จ, น, น, ไปไปจนแหลกอิตาวิชาแตกกระจายไปแล้วมีอะไรเข้าคลองกิดที่นี่แดนสมมติทั้งมวล น, นี้ได้แตกกระจายประจักษ์กิดแล้วแม่รู้อยู่ก็ตามทึ่นี่ ไม่รู้แบบวัตจักรวัตจิตที่มาหมุนจิตให้เป็นไปเป็นธรรมจักรแท้จริรู้หมดโดยสิ้นเชิงในแดนสมมุตินี่จะว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะเป็นความฟิดของจิตยแยกๆแต่และขณะขณะเท่านั้นเนื่องจากไม่มีเชื้ออยู่ภายในานี้ให้เป็นสมมุติเกี่ยวโยงกันไปถึงสิงภายนอกก็เลยแล้วมันก็เข้ากันไม่ติดระหว่างิมุติกับสมมติ S <S ก็แยกกันที่ตรงนี้เดีว่ามีก่อนเราไปให้ความหมายก็ต่างหากแล้วเราก็ไม่หลงถ้าให้ชื่อให้นามเพราะต่างหากว่าสิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี้เขาเองเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นนั้นเป็นนี้แล้วเองเป็นผู้ไปคิดไปปรุงเราก็รู้เราอยู่แล้วว่าเราคิดปรุงสิ่งนั้นนี้นั้นตามสมมติยมเขาตัวเองก็ไม่หลงถ้าไม่มีสิ่งให้หลงอยู่ภายในใจไม่ต้ามีมีสิ่งให้ติดให้ข้องอยู่ภายในใจคิดเรื่องอะไรก็ไม่ติด รูปเสียงกินรสทั้งสัมผัสสัมผัสสัมพันธ์กันทั้งวันทั้งคืนมันก็เป็นรูปเสียงกินรสมันก็เป็นตาหูจมูกร่างกายอยู่โดยดีมันก็เป็นจิตอยู่โดยดีมันไม่ได้เป็นอื่นเป็นใดไปให้กําเริวจสืบสารต่อไปอีกเรีย ว, ว่าหมดเชือ้อที่นี่นี่แะการแก้ที่เละยากหรือไม่ยากให้พากันพิจารณาให้มุ่งผลอันประเสริฐเลิศเลยนั้นเป็นของสําคัญไม่มีความทุกข์ใดที่จะยิ่งกว่าความ อยู่ตามหน้าของกิเลสที่บีบบังคับอยู่ตลอดเวลาหาอยาบทตรที่ว่างที่ปลอ่อยวางกันไม่ได้เลยนี่เลยหละเรื่องความทุกข์นะมีทุกข์มากทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกข์ไม่มีหยุดมีถอยแล้วมากขนาดไ ห, หนนับได้เมื่อไหร่นี่พอจิตอิสระตัวออกไปจากนี้แล้วไม่มีอะไรจะเป็นอิสระยิ่งกว่าจิตที่ผ่านพ้นแล้วจากกิเลสวัฏวล ถึงจะมีขันความอยู่ก็รู้ว่าทุกข์หิวก็รู้ว่าหิวก็หายรู้ว่ากระหายเจ็บนั้นปวดนี้ก็รู้หักศักแต่ว่ารู้สิ่งเหล่านี้ไม่เข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตใจได้เหมือนแต่ก่อนเลยเป็นอิสระตายตัวอยู่เช่นนั้นนี่คือผลแห่งการพิจารณาถีงผลแห่งการต่อสู้กับพิเรศยากกับง่ายเพียงไรก็ตามเมื่อเวลาเป็นผลความทุกข์ทั้งมวลต้องกลายเป็นมาเป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงจิตใจใ ห, ให้มีกําลังมัง่นใจจนได้ สามารถสลัดตัวออกจากกิเลสปัญหาสาวะทั้งมวลได้โดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือเนี่ยท่านว่านิพพา น, นังปรามังสุขขังทั้งที่ปรามังอะไรจะมีปรามังนอกจากนิพพานเท่านั้นไม่มีอะไรปรามังนอกจากความพ้นจากกิเลสปัญหาาโดยประกทั้งมวลทั้งวกแล้วไม่มีอะไรเป็นปรามังกิเลสไม่เคยมีปรมังนอกจากปรามังทุกขังเท่านั้นอืมทุกแสนสาหัสทุกอย่างยิ่งท่าน อยู่ต่านหน้าของกิเลสแล้วเป็นทุกข์ตั้งแต่ส่วนร่อยถึงทุกอย่างยิ่งไม่มีอะไรเทียบเมืม่อซาจิตออกจากกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วประมังสุขขันี่ไม่มีอะไรสุขใดที่จะเกินสุขที่พ้นหลุดพ้นจากกิเลสนี้ไปได้เลยความทุกข์ทั้งมวลก็กลายมาเป็นปุ๋ยสนับสนุนให้จิตได้หลุดพ้นแล้วเป็นความที่หาที่ตรงไหนเราจึงได้อิจฉ จ, จะต้องได้อิหนาละอาตายละอาใจต่อการประกอบความท่าเพื่อนโดยเห็นว่าเป็นทุกข์ เรานอนจมอยู่กับกิเลสมาเป็นานานนเท่าไหร่เราทำไมไม่เอามาคิดบวกลบคูณหารกันบ้างเกิดพบได้ชาติใดจมอยู่กับกองพุกทั้งมวล น, นั้นมันมีมากมี น, น, น้อยอย่างไรขณะที่จะประกอบความภาคเพียงแต่ละขณะขนาดแต่เวลาเวลาเพื่อถอดถอนกิเลสให้หลุดพ้นไปจากจิตใจเพื่อเอาปรมังสุขครังทํามาจะเห็นว่าเป็นของยากของลำบากถ้าไม่จะถูกกล่อมจากกิเลสอย่างแนบสนิทแล้วเท่านั้นนี่นั่นเป็นที่นาเทียบเคียงให้ได้สัตว์ได้ส่วนสําหรับผู้ปฏิบัติ ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อโง่ต่อกิเลสเราปฏิบัติเพื่อฉลาดเพื่อจะตัดพันทันแหละครับกิเลสให้ติดตั้งอำนาจของเรานี้ต่างหากไม่ใช่เราจะเราปฏิบัติเพื่อกิเลสเป็นเจ้าอำนาจเป็นเจ้าหลอกลวงต้มตุ๋นเราอยู่ตลอดเวลาโง่กับกิเลดเราเคยโง่มานานแล้วคราวนี้เอาให้ฉลาดให้ทันกิเลสให้เหนือกิเลสด้วยอำนาจของธรรมมีธรรมเท่านั้นที่กิเลสยอมรับว่าแหลมคมจริงมีอำนาจจริงตากิเลสได้อยู่ได้จริง นอนเทนั้นจะเด็กไม่ตัวเนั้นจึงต้องนําทําเข้ามาที น, นี้พิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงตามนี้ถึงจะได้เป็นสุขทีนี้สุขตลอดไปไม่มีการนั่นการนี่ความทุกข์ความลําบากในการประกอบความเียความเพ่ า, พาเปลี่ยนนั้นเป็นการเปลีนเวลาช้าบ้างเร็วบ้างมันก็มีเวลาที่จะจบขิ้นกันตรงได้ทุกเพียงเท่นั้นจะเป็นไรไป ทุกที่จมอยู่กับกิเลสไม่มีเวลาเวลานี้เอามาเทียบกันดูสิอันไหนมีน้ำหนักมากอันไหนที่น่ากลัวที่สุดทุกที่จมอยู่กับกิเลสนั่นแหละคือเป็นทุกข์ที่น่ากลัวที่สุดจนหาเวลาที่จะหลุดพ้นตัวไปไม่ได้เลยแต่ทุกเพราะปัจจรยเพราะความเพือนที่จะฆ่ากิเลสนี้มีเวลาเวลาที่จะผ่านพ้นไปได้มีเวลาที่จะดัดที่ยุติกันได้หลักสติปัฏฐานสีท่านก็พูดไว้แล้ว ผู้ดําเนินตามหลักสีบิปฐานสี่นี่อย่างช้าไม่เลยเจ็ดปีสําเร็จไม่โสดาสติทาอลาธนาคาต้องอลาหานเรื่อยเจ็ดปีเจ็ดเดือนลงมาถึงเจ็ดปันแล้วโดยลําดับตามความชา้าเลยของแต่อุปณิสัยของแต่และผู้มีความสามารถมากน้อยต่างกันท่านไม่ได้ว่าหรือว่ า, าเจริญสติปัฏฐานแล้วจะนอนจมกับกิเลสมีถึงแต่ว่าคนที่ไม่จเจริญทำไม่ภาวนานั่นแหละคือผู้นอนจมกับกิเลสต่างหา ท่านไม่ได้บอกว่าผู้จเจริญสติปัติฐานสี่นี้แล้วนอนจมกับยิ้งเหลือด้วยไปท่านไม่ได้บอกเราเป็นนักปฏิบัติต้องคิดต้องแยกต้องแยกอยีู่ไม่งั้นไม่ทันคุณมายาของยิเลืขึ้นมันหลอกลวงอยู่ตลอดทุกขณะที่แยกออกมาไม่ใช่เรื่องหลอกเรื่องหลอนเท่านั้นปล้อมทั้งเผยพร้อมทั้งเผยขอให้รู้คนมันเถอะอานจะรู้ทุกระยะนมันแสดงออกอยังไงยังไงมายาของยิเลืแต่เมื่อรู้จริงๆ จ, งจงกนกระทั่ง ปราบมันให้เรียบพูดไปเข้าใจแล้วมันไม่มีกิเลสตัวใดมาแสดงเราพูดทั้งนี้พูดถึงเรื่องมันแสดงออกจากผู้ใดมันก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันนี้ไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เลยทําไมจะไม่รู้มันไม่รู้มันปราบมันได้อย่างไรมันไปอยู่ครองหัวใจใดบังคับหัวใจใดแสดงให้ออกแสดงมาทางกายทางมาจากที่เดียวมาย่าอย่างไรความประพฤติมันรู้หมดมันเหมือนกันแสดงความดีใจเสียใจมาก็รู้ความรักความชังก็รู้ะ ความกความเกียดอะไรมันรูค้ความผิดความถูกอะไรรู้เพราะเป็นเรื่องของเกจทั้งมวลทาให้เป็นรู้แล้วต้องรู้รอบจังหวารู้รอบป ร, ริญญาป ร, ริญญาก็แปลว่าความรู้รอบอย่างไงเช่นอย่างาประเดียนประเดียนนี่ก็เหมือนกันประเดียนก็นกนปริญญาคืาอรู้รอบมันรู้รอบการทำความจําอำให้รู้รอบทางของทางความจรินนี่มันรู้รอบจิตนี่แล้วเป็นอย่างไงป ร, ริญญานี่ก็ปริญญานั่นเป็นยางไงต่างกันยังไง ปัญญานี้เป็นปัญญาเอกนี่มีอันเดียวเท่า น, นั้นไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งปัญญาเอกจิตเป็นเอกเอกจิตเอกธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วหาธรรมที่ไหนทีนี่หาพระพุทธเจ้าอยู่ที่ที่ไหนหาพระสงฆ์ที่ไหนหลักธรรมชาติแท้ๆลงในจุดเดียวกันนี้ไม่สงสัยในจิตของเราแล้วจะสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ตรงไหนกันเพราะเป็นความจริงอันเดียวกัน เท่ากันไม่มีคําว่ายิ่งใหญ่กว่ากันยอมรับอันนี้เต็มร้อยเอร์ซ็นตม้กรยอมรับพกติเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ร้อยเปอร์เ็์เท่านั้นเองไม่มีอะไรที่จะสงสัยนี่นการประพฤติปฏิบัติเวลาผลปรากฏขึ้นมาในครั้งสุดท้ายเป็นอย่างนี้ทุกทเรียอหามันก็ไม่มีจริงเมื่อกิเลสมันตายไปแล้วไม่มีอะไรจะมาสร้างทุกข์ขึ้นมาในหัวใจของคนของสัตว์นี้ก็จะมีแต่เพียงร่างกายจริงกระดุกกระดิด ยังต่อเนื่องกันดีปัจจัยเครื่องอาศัยมันยังสืบเนื่องกันอยู่มันก็มีอาการเป็นธรรมดามีหิวมีกระหายอยากหลับอยากนอนเป็นธรรมดาฉะนั้นก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรที่จะทําให้จิตใจกระเพื่อมหรือหวั่นไหวไปตามจึงต่างอันต่างจริอนพอสมควรอีกตรนนี้น